บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปธรรมะปฏิบัติไม่ว่าจะทรงแสดงไว้โดยประยายอย่างไรก็ตามแต่มุ่งไปในทางที่จะขจัดล ด, ดละบันเทา อิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของบุคคลให้เจือจางเบาบางลงไปโดยลำดับซึ่งการจะเกิดผลได้มากน้อยแค่ไหนเพียงใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับพื้นฐานในด้านต่างๆของบุคคลนั้นๆเป็นประการสำคัญตันั้นคำถามที่พระโมคคราชโมคราชมาน์ได้กราบทูลถาม ตคงสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจะเป็นคำถามที่มุ่งจะสแสวงหาคำตอบเพื่อตนจะได้แก้ปัญหาในชีวิตเพราะอะไรเพราะว่าปัญหาในชีวิตของบุคคลนั้นถ้าเมื่อกล่าวโดยสรุปก็จะเกี่ยวกับตนและสิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยตนที่คำบาลีท่นานใช้คำว่าอัตตาคือตน ในอตะนิยาคือเกี่ยวเนื่องด้วยตนหรือมีคําที่ท่านใช้แล้วก็จําทรงกันแทร่หลายมากเป็นวิเศษก็คืออหังการกับมมังการอหังการก็คือเรื่องของตนมัมมังการก็คือความเป็นของตนหรือเกี่ยวเนื่องด้วยตนนั่นเองแม้จะมีเหตุการณ์รุนแรงบังเกิดขึ้นในโลก แต่ถ้าหากว่าสิ่งนั้นไม่เกี่ยวเนื่องด้วยตนบุคคลจะไม่มีความรู้สึกเป็นทุกข์แต่ยามใดที่สิ่งหรือบุคคลนั้นไปเกี่ยวเนื่องด้วยตนเข้าหรือเป็นตนเข้าวความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลเหล่านั้นพระพุทธดำรัสตรัสตอบต่อท่านโมคระาชซึ่งกราบทูลถามว่าข้าพรงจะมองเห็นโลกอย่างไร มัจจุราชจึงจะตามไม่ทันคือพูดง่ายๆว่าจะต้องไม่ไปสู่อำนาจแห่งความตายอีกต่อไปเป็นคำถามที่มุ่งเป้าสูงสุดคือหลุดพ้นจากสังสารวัฏวันคำตอบจึงตอบสูงสุดเหมือนกันโดยรับสั่งว่าเธอจึงมองมองเห็นโลกโดยความเป็นของว่างและถอนอัตตานุทิฏฐิ คือความเห็นปรตตนและเกี่ยวเนื่องด้วยตนดังกล่าวแล้วออกไปให้ได้มัจจุราชก็จะตามไม่ทันหรือจะไม่จะมองไม่เห็นปนัญหาเหล่านี้ที่จริงแล้วไม่ใช่อยู่ที่จุดสุดยอดเพียงอย่างเดียวธรรมปฏิบัติในทางาศาสนานั้นเป็นสันเล ข, ขะคือเป็นเครื่องขัดเกลาวจะทำหน้าที่ขัดเกลาวจิตใจของบุคคล ให้มีความรู้สึกในลักษณะตนและเกี่ยวเนื่องด้วยตนออกไปโดยลำดับถ้าหากจะมองคำสอนระดับพื้นพื้นทั่วไปเช่นคำสอนในกรณีของฐานในกรณีของฐานนั้นคุณสังเกตว่าเอาก็จริงมีคนอยู่พวกหนึ่งที่ไม่ยอมให้อะไรแก่ใครเลยและบางทีก็รุนแรงจนถึงกับไม่บริโภคด้วยตนเอง และไม่เอิกเฟื้อเผื่อแผ่แก่คนอื่นเก็บรวบรวมสะสมทรัพย์สมบัติเอาไว้ซึ่งสำนวนทางศาสนาเรียกว่าเป็นทรัพย์สมบัติที่ผีเสื้อยักรั ก, รกษาคือผงแหนเอาไว้ตัวเองก็ไม่ใช้ไม่บริโภคคนอื่นก็ไม่ใช้ไม่บริโภคนันแสดงให้เห็นถึงว่ามีความเกี่ยวเนื่องด้วยตนและสิ่งที่ เกี่ยวเนื่อง้วยตนดมากอยูปลูกพันุ์อยู่กับตนและสิ่งที่เกี่ยวเนื่อง้วยตนดมากพราะถ้าหากว่าใช้สอยข้าวทรัพย์สมบัติของตนก็จะบกพร่องลงไปตนจะรู้สึกว่าตนจนลงอย่างที่พระพุทธเจ้าได้รับสั่งเล่าถึงเศรษฐีท่านหนึ่งที่ไม่ยอมใช้จ่ายบริโภคทรัพย์สมบัติต่บริโภคใช้จ่ายที่ของซึ่งไม่ค่อยมีคุณค่าอะไร แล้วก็พยายามอวาตสั่งสอนลูกหลานภายในครอบครัวว่าเคยมองการสิ้นเปลืองไปของทรัพย์สมบัติเหมือนอยาหยดตาแม้เราจะหยอดเพียงหยดเดียวแต่ก็เป็นความสิ้นเปลืองไปทําให้ทรัพย์มันพร่องไปก็เพื่อให้ทรัพย์เต็มอยู่ตลอดไปก็ควรจะรักษาทรัพย์สมบัติเหล่านั้นเอาไว้โดยการเพิ่มพูนและใช้จ่ายให้น้อยที่สุด นั่นแสดงว่าจิตใจของบุคคลมีความผูกพันอยู่ในตนกับของที่เกี่ยวเนื่องด้วยตนสูงแต่พอมีกุศลและเจตนาบังเกิดขึ้นมีจากค่าเจตนาเจตนาในการเสียสละหรือทานอุปปจาคคือการมุ่งที่จะให้จะบริจาคบังเกิดขึ้นไอความรู้สึ ก, กว่าของตนก็มีแต่ก็มองเห็นว่า บางอย่างนั้นตนมีมากเกินไปพอที่จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก บ, บุคคลอื่นได้ประสงเคราะห์นุเคราะห์กันเพราะในชั้นหนึ่งที่แบ่งกันกินแบ่งกันใช้นั้นก็หมายความว่าความรู้สึกว่าเป็นของเราก็มีอยู่ความรู้สึกเป็นเราก็มีอยู่แต่จางลงกว่าประเภทแรกที่กล่าวแล้วจึงพร้อมที่จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สงเคราะห์นุเคราะห์แก่ บ, บุคคลอื่นได้ในลนักษณะแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ไปก่อน แต่่าขึ้นไปถึงอีกชั้นหนึ่งถ้าบุคคล ส, สังเกตสภาพจิตใจของตนก็จะเห็นว่าการบริจาค ก, การเสียสละสิ่งของซึ่งมีความรู้สึ ก, กว่าเป็นของเราโดยมุ่งผลในการเกื้อกูลแก่บุคคลอื่นตนเองไม่ต้องการผลตอบแทนที่เป็นรูปธรรม แต่ต้องการได้รับความสุขใจความสบายใจในการกระทำเช่นนั้นซึ่งหมายความว่าความรู้สึกเป็นตนเป็นของตนได้จางลงไปอีกชั้นหนึ่งแม้บางครั้งจะเป็นการบริจาคโดยมุ่งหวังผลในสัมป ร, รายพภะภายภาคหน้าต้องการจะเกิดในส ก, กุลที่มีฐานะทางทรัพย์สินสูงอย่างที่ทรงแสดงไว้ในจุละกะมวิพัฒ์กสูตรว่า คนที่เกิดมาในสกุลที่มั่งคังรำรวยเพราะผลแห่งการให้ทานก็ตามแต่ที่จริงแล้วความรู้สึกว่าเป็นของเราได้จางลงไปจนพร้อมที่จะเสียสละบริจาคแม้จะมุ่งหวังความเป็นของเราในพบภายภาคหน้าก็ตามแต่จากจุดนี้เองความรู้สึกวก่าของเราก็จางลงไปอีก คือการบริจาคทานที่มีความรู้สึกว่าการให้ทานนี้ดีแล้วก็ให้แล้วก็เรื่อยไปจนถึง ก, การให้ที่เป็นรูปสังกทานไม่ได้เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะโดยมุ่งที่จะขัดเกลาจิตใจของตัวเองและมุ่งที่จะให้ของของตนเองนั้นมีประโยชน์เกื้อกูลแก่ บ, บุคคลอื่นความรู้สึกว่าของเราได้ค่อยๆจางลงไปอีกสามารถที่จะเสียสละได้ทุกอย่าง นั้นในจุดของการเสียสละพิงสังเกตว่าที่ทรงแสดงออกมาเป็นรูปของบารมีอุปบารมีปารามัตตบารมีทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าระดับบารมีนั้นสามารถสละวัตถุสิ่งของของตนได้เรียกว่าของนอกกายคือไม่ใช่ตัวเราได้แต่พอถึงอุปบารมีก็แสดงว่าแม้ตัวตนเอง อวัยวะของตนเองที่มีความรู้สึกผูกพันว่าเป็นอวัยวะของตนบุคคลก็สามารถสละได้เราแสดงว่าจิตใจเขาเข้าถึงธรรมทั้งสองชั้นสามารถที่จะกัดสกัดก้านกระแส ข, ของกิเลสประเภทที่มีความรู้สึ ก, กว่าเป็นเราก็าเป็นของเราลงไปได้ทั้งสองระดับจะลดความรุนแรงลงไปได้ในฝ่ายที่เป็นของเราก็สละละวางไปได้มากจนถึงบริจาค ให้ทานในชั้นต่างๆในความรู้สึกก็เป็นเราคือวิญวะร่างกายตัวตนต่างๆที่สรุปรวมว่าเป็นเราบุคคลก็เสียสละได้และในชั้นนี้เพิงสังเกตว่าเอาเข้าจริงแล้วก็เป็นเรื่องที่จะต้องอาศัยจิตใจที่ถึงมากเป็นพิเศษเช่นการอุทิศ ร, ร่างกายให้ แกสาธารณกุศลให้ในวงการศึกษาให้อวัยวะต่างๆเป็นต้นของบุคคลทั้งหลายนั้นเวลาคนอื่นเขากระทําเราก็มีความรู้สึกชื่นชมยินดีในการกระทำเหล่านั้นแต่าถามว่าใจเราพร้อมที่จะสละได้ไหมก็มีความรู้สึกลึ ก, ลกๆว่ายัางไม่พร้อมยังมีความเสียดายยังมีความหวงยังมีความควงในร่างกายตัวตน บางครั้งก็อาจจะมีความรู้สึกว่าก็อาจจะเอาร่างกายเราไปวางไว้ในที่ไม่เหมาะไม่ควรหรื อ, อ จ, จะไปอยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะไม่ควรเป็นต้นแต่ถ้าถามจริงๆเราก็มีความรู้สึกอยู่เหมือนกันว่าเมื่อบิณยาณออกจากร่างแล้วก็เป็นไปอย่างในยะที่ท่านใช้เป็นคาถาเรียกว่าบางสกุลเป็น เป็นพระพุทธน้ำรดที่พระพุทธเจ้าตรัสประรบพระติสสะปุธิกตะเทระคือท่านรูปนี้เป็นโรคเจ็บป่วยหนะักเป่วยหน้าผูพองไปทั่วสรพพางกายจนถึงกับมีกลิน่นเหม็นเป็นที่ขยะขยงรังเกียจของบุคคลทั้งหลายไม่มีใครสนใจดูแลรักษาพยาบาลพระพุทธเจ้าต้องเสด็จมาดูแลรักษาพยาบาลเองแล้วเมื่อพระสงฆ์ได้มาประชุมพร้อมกัน ่าศัยตัวอย่างร่างกายของปฏิสะซึ่งกลังเปือยเน้าอูพังเป็นครูสมับท่านที่ยังไม่อยู่ในสภาพนั้นโดยรับสั่งบอกว่าร่างกายนี้ไม่นอนไม่ไม่นานเลยจกล้มลงเหนือแผ่นดินพระวิญญาณออกไปจากร่างแล้วก็เหมือนท่อนไม้ที่หาสาระแก่นสารอะไรไม่ได้ แต่จากความรู้สึก่วงและห่วงในอัตภาพร่างกายที่ตายแล้วดังกล่าวนั้นจะเห็นว่าวิญญาณออกไปจากร่างแล้วแต่ยังมีมวิญญาณอย่างหนึ่งคืออุปาทานที่ว่าเป็นกายของเรายังเข้าไปยึดถือกายนั้นอยู่ก็มีความหวงมีความห่วงในร่างกายต่านั้นแต่ถ้าใครที่ใจเขาเดินไปได้สามารถที่จะเสียสละได้ปริจาคได้ แสดงว่าความรู้สึกเป็นเรากับเป็นของเราได้จางลงไปอยู่ในจุดหนึ่งที่ไม่เอาจิตเข้าไปเกี่ยวเกาะคือปล่อยวางได้ในจุดหนึ่งแน่นอนไม่ใช่เป็นการสละในขณะที่ตัวเองมีชีวิตอยู่เป็นการสละอย่างมีเงื่อนไขว่าหลังแกบตายไปแล้วแต่อย่าลืมว่าการติดสมมติบัญญัติความเป็นตนเป็นของตนนั้น บางครั้งก็ติดกันอย่างรุนแรงแม้แต่เรื่องจะล่วงเลยไปแล้วหรือบางครั้งสิ่งของของตนที่ตนหววงตนปรารถนาไม่ปรารถนาที่จะให้แก่บุคคลอื่นอย่างเราพบตัวอย่างเรื่องราวนิทานบุคคลในสมัยโบราณเป็นอันมากที่ท่านหวงของท่านท่นไม่ต้องการให้ใครไปเกี่ยวข้องกับของของท่านทั้งทงตัวตัวเองจะตายแล้วก็ไป สาบแช่งเอาไว้ถ้าใครไปยุ่งของท่านก็ขอให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้นนี่เมื่อวิเคราะห์เจาะลึกลงไปถึงพื้นฐานความคิดภายในจิตใจของท่านเหล่านั้นก็คือว่าความรู้สึกเป็นของตนนั้นอย่างเหนียวแน่นได้เกินไม่พร้อมแม้แต่จะปล่อยวางทางั้งๆที่สิ่งเหล่านั้นก็รู้แน่นอนแล้วว่าไม่เป็นของตนเพราะร่างกายของตนก็กําลังจะไม่เป็นของตนไอสิ่งของต่างๆจะเป็นของตนได้อย่างไร แต่เพราะใจที่ยังมีอุปาทานเข้าไปถือครองแม้แต่สิ่งซึ่งรู้แน่แก่ใจว่าไม่เป็นของเราก็ยังสําดงออกมาในรูปของการสาบแช่งผู้ที่ไปเกี่ยวข้องไปอยู่ในสถานที่บางอย่างไปใช้ของบางอย่างไปเรียนของบางอย่างเป็นต้นถึงเราพบโดยเฉพาะพวกวิชาความรู้พวกสถานที่พวกศิละปะต่างๆเป็น ต, ต, ต้นที่ในการสาบแช่งเอาไว้ของขดในอดีต มันคือแสดงให้เห็นถึงจิตใจที่ยังมีความรณีดเหนียวแน่นอยู่ในเรื่องนั้นๆแต่ถ้าคนเดินมาถึงจุดหนึ่งจิตสละปล่อยวางไปได้โดยลำดับแม้แต่คนที่สละเลือดให้แกสภาการชาติเก็จะเห็นว่าเอาก็จริงก็ทำไม่ได้ทุกคนแต่คนที่สละได้จึงหมายถึงว่ารู้จักปล่อยวางในสิ่งสิ่งที่เป็นของเราลงไป อาจจะอาศัยปัญญาเทียบเคียงเห็นว่าจริงเหล่านี้ที่เป็นของเรานั้นสามารถที่จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลในช่วยชีวิตแก่บุคคลอื่นได้ก็เสียสละออกไปและเรื่องเหล่านี้ก็เรื่อยไปจนถึงพวกปรมาธบา ร, รมีคือสละแม้แต่ชีวิตร่างกายซึ่งจะเห็นได้ว่าท่านยอมรับแม้ในขณะนั้นนั้นคือเป็นการสละได้แม้แต่ร่างกายยังเป็นเป็นอยู่ อย่างการสละของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายซึ่งก็หมายความว่าภายในจิตใจของคนระดับพระโพธิสัตว์นั้นมีความเป็นตนกับความเป็นของตนน้อยลงไปโดยลำดับจนถึงก็สละได้ทั้งที่ทเป็นวัตถุสิ่งของ ท, ง, ทงทั้งที่เป็นอวัยวะร่างกายทั้งที่เป็นชีวิตของตัวเองเพื่อเป็นประโยชน์เกือกเก้อกูลแก่บุคคลอื่นลักษณะคำสอนเหล่านี้ที่จริงแล้วก็คือ การพยายามปรับพื้นฐานจิตของบุคคลให้มีความประณีตขึ้นไปโดยลำดับเป็นลักษณะาการก้าวไปของบุคคลที่ขึ้นไปบนที่สูงคล้ายๆกับบันไดธรรมะที่ทรงสแสดงยังมีลักษณะนแนวนี้พอจุดบุ่งหมายนั้นมุ่งไปที่พระนิพพานที่แตนเรียกว่ามีประหัตเป็นยอดรือมุ่งไปสู่พระนิพพาน แต่พระองค์ก็รู้ถึงบาตรสนามบารมีของคนว่าคนจะไปนิพพานได้จริงๆมันมีน้อยแต่ว่าทําอย่างไรให้คนเดินอยู่บนเส้นทางที่จะไปนิพพานในเส้นทางช่วงแรกที่เป็นวัฏฏะนั่นเรียกว่าสุคติคือทางไปดีไปง่ายไปแล้วมีความสุขความสงบขึ้นไปโดยดําดับเรียกว่าสวรรค์เพื่อไม่ให้คนได้ตกไปในทางที่ เป็นทางเสื่อมถึงเรียกว่าทุกขติหรือในโลกที่เราเรียกว่าอบายอบายยมุกต่างๆอบายยมุกนั้นพึงสังเกตว่านั่นในความยึดถือเป็นของเราเป็นเรามากรุนแรงจนถึงกับไปยื้อแย่งของของคนอื่นมาเป็นของของเราต้องหาวิธีเล่นการประนานหาวิธีช่อโองด้วยวิธีการต่างๆทำบาปด้วยวิธีการต่างๆเพื่อเอาของคนอื่นมาเป็นของเราคือแทนที่จะให้จะสะละละวางของตนเองนั้น นอกจากทาไม่ได้แล้วยังเปลี่ยนพยายามที่จะเอาของของของคนอื่นมาเป็นของของเราและถ้ารุนแรงยิ่งกว่านั้นยังพฤติกรรมในบ่อนการพนันบางทีคนที่มาเล่นการพนันตนหวังที่จะเอาทรัพย์ของเขาแต่เขาฝีมือดีกว่าเล่นชนะก็เกิดโกรธไม่พอใจส่งลูกน้องไปฆ่าชีวิตแล้วก็แย่งทรัพย์กลับมาได้ทําไป นันคือลักษณะความรุนแรงของกิเลส ท, ที่เพิ่มขึ้นโดยความรู้สึกว่าเป็นของเรากับเป็นเราสูงขึ้นและสูงขึ้นจนขาดเหตุผลในการดําเนินชีวิตในการปฏิบัติกิจการต่างๆเพื่อสนองตอบความต้องการของตนเองก็ออกมาในรูปของอกุศลทุจริตที่ปรากฏเป็นพฤติกรรมรุนแรงต่างๆในโลกนี้ที่ไปยุยงไปชอ่อโกงไปหลอกลวงไปปิ้นปล้อนบุคคลอื่นมานั้นที่จริงก็คือคว้าเรื่องที่ไม่ใช่ของเรามาให้เป็นของเรา โดยความรู้สึกจริงๆก็คือความรู้สึกว่าเป็นของที่เกี่ยวเนื่องด้วยเราแม้จะไม่เกี่ยวเนื่องด้วยเรามาก่อนก็พยายามให้เกี่ยวเนื่องด้วยเราเข้าไปเมาหามาไม่ได้ในทางที่ชอบที่ควรก็ออกมาในทางที่ที่ไม่ชอบไม่ควรในทางพระพุทธศาสนาก็สอนที่จะฟอ ก, ก จ, จิตใจของบุคคลให้เดินไปโดยลาดับเท่าที่จะเดินได้และการสอนในเดินนั้นผึงสังเกตว่าเดินในแนวที่ขึ้นรูปบันได หรือบางทีก็กระจายวงออกไปในระดับนั้นๆเพราะอะไรเพราะพื้นฐานในด้านจิตใจของบุคคลส่วนใหญ่นั้นจะขึ้นขึ้นไปหลายๆขั้นไม่ได้เมื่อขึ้นหลายขั้นไม่ได้ก็ใช้บริเวณในแต่ละขั้นนั้นเองให้กระจายออกไปอย่างเช่นระดับของการให้ทานเพื่อจะสลายความเป็นของเราให้น้อยลง คือนอกจากจะไม่ไปล้าเส้นไปล่วงละเมิดในทรัพย์สินของบุคคลอื่นแล้วของใดที่ตนมีความรู้สึกว่าเป็นของเราถ้ามองเห็นประโยชน์จากการสละสิ่งที่มีความรู้สึกว่าเป็นของเราว่าดีกว่ า, วาที่จะอยู่กับเราก็พร้อมที่จะเสียสละสิ่งเหล่านั้นแต่จุดมุ่งหมายนั้นก็จะอยู่ในกลุ่มของการละกิเลสที่เป็นเหตุให้ยึดถือว่าเป็นเรากับเป็นของเรานั่นเองถึงสังเกตว่าทานนั้นจะเดินมาในจุดของการสละ โลภเป็นพื้นมาก่อนแต่ว่าถึงจุดหนึ่งนั้นเราอาจจะมีความรู้สึกว่าของเราพอที่จะเสียสละให้แก่คนอื่นได้แต่พอเราพอดีเราไม่ชอบคนที่จะรับคือคนที่เราจะให้เลยไม่ให้นี่แสดงว่าการไม่ให้ของเรานั้นเกิดขึ้นจากความรู้สึกไม่ชอบอันเป็นสายโทสะ แต่ถ้าขจัดความรู้สึกเหล่านี้ออกไปได้แล้วก็สละออกไปก็แสดงว่าถึงจุดนี้ก็ขจัดโทสะแล้วเป็นการลดกิเลสทั้งโลภะและโทสะและด้วยการปฏิบัติเหล่านี้มาถึงจุดหนึ่งคนเราเมื่อมีการให้มีการสงเคราะห์กันก็ไม่มีใครที่จะรับอยู่อย่างเดียวก็ต้องมีการให้มีการให้ตอบมีการไหว้มีการไหวตอบมีการบูชามีการบูชาตอบ เหมือนกับกฎของกิริยาปฏิกริยาคือมีการกระทาก็ต้องมีการกระทาตอบความรู้สึกผูกพันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแม้จะมีความรู้สึกว่าเป็นเราอยู่แต่ก็รู้สึกว่าเป็นพวกเราครนี้ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันความรู้สึกว่าเป็นพวกเรานั้นดีกว่าความรู้สึกเป็นเราเป็นเขา แม้จะมีการติดตนคือติดเกี่ยวเนื่องด้วยตนอยู่ก็ตามแต่ในชั้นของสิ้นธรรมจัร ญ, ญานั้นจะหยุดความรุนแรงเอาไว้ได้เปน็นอันมากประสาทใดที่คนยังมีความรู้สึกว่าเป็นเรากับเป็นพวกเราอยู่ความสมานสมัคคีเอกีภาพไปในชุมชนนั้นๆก็บังเกิดขึ้นการแตกแยกการทำลายการต่อสู้กันนั้นเกิดขึ้นจากความเป็นเรากับความเป็นเขาหรือความเป็นเรากับไม่ใช่พวกเราหรือความเป็นเรากับเป็นศัตรูเรานั่นเอง แต่เมื่อเกิดความรู้สึกอย่างนี้ก็ต้องการทำลายอีกฝ่ายหนึ่งที่ตนรู้สึกว่าไม่ใช่เป็นตนไม่ใช่เป็นพวกของตนหรือว่าเป็นศัตรูของตนลงไปเป็นพฤติกรรมที่ปรากฏความรุนแรงให้พวกไปเห็นอยู่ในส่วนต่างๆของโลกทุกยุคทุกสมัยเช่นเดียวกันนั่นก็คือเรื่องของความรุนแรงแต่ทีนี้ถ้าหากว่าลดละลงไปจนกลายเป็นมีความรู้สึกเป็นพวกเดียวกันก็เรียกว่าเป็นพวกเราด้วยกันเป็นเรื่อง คุณธรรมชั้นศีลธรรมจันจาที่จะพัฒนาจิตใจของบุคคลให้มีความสงบประนีตขึ้นไปโดยลำดับเพราะฉะนั้นมาถึงจุดทานเนี่ยหนักนิดเบาหน่อยอดกั้นทนทานกันได้ผิดกับคนที่เรามีความรู้สึกว่าศัาตรูเราศัาตรูเราแม้แต่มองหน้าหน่อยเดียวก็เกิดร ด, ดแต่ถ้าคนที่เราไม่มีความรู้สึกว่าเป็นศัตรูเรา ไมจะมองหน้าหรือทำอะไรแรงๆแล้วก็พร้อมที่จะอดทนพร้อมที่จะให้อภัยบางครั้งจะมีความรู้สึกไม่พอใจก็ตามเพราะฉะนั้นอภัยทานอาภัยทานที่จริงเป็นการสละละวางความรู้สึกที่จะทำลายใครคนหรือสัตว์ที่เรารู้สึกไม่ใช่ของเราไม่ใช่พวกเราหรือเป็นศัตรูเราแล้วแต่จะมีความรู้สึกรุนแรงมากน้อย แต่สรุปว่าถ้าเกิดความรู้สึกแนวนั้นขึ้นมาความคิดในทำนองที่จะให้อภัยที่จะอดกลั้นที่จะอดทนหรือที่จะแผ่เมตตาก็จะไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าหากบุคคลรู้สึกว่าเป็นเราเป็นพวกเราเป็นมิตรของเราไม่ใช่ศัตรูเราเมตตาแกก็เป็นฐานใจจุกหลังนิดเบาหน่อยก็ใช้ขันติความอดทนเอาแต่อะไรยังตกค้างอยู่ภายในใจ ก็ใช้หลักอภัยทานคือให้อภัยแก่ได้นี่แสดงว่าต้องการกระจายความรู้สึกว่าของเรากับความเป็นเรานั่นเองแต่เป็นการกระจายในชั้นถิ่นธรรมจันจาที่ย้ายบุคคลสามารถคลองเรือนคลองสุขอยู่ได้ไม่ต้องไปเดือดร้อนวุ่นวายกับเรื่องเรากับของเรามากเกินไปอย่างน้อยก็ไม่ทำทุจริตเพราะเหตุเรากับของเราพอไปถึงชั้นหนึ่ง ออกมาในรูปของการสละละวางในส่วนที่เป็นโมฆะเป็นคนที่ได้ศึกษาเรียนประพฤติปฏิบัติ ธ, ธรรมะมาแล้วได้รับผลแห่งธรรมะชั้นใดชั้นหนึ่งแล้วก็เกิดเมตตากรุณาปรารถนาที่จะให้คนซึ่งเรารู้สึกว่าเป็นพวกเราหรือเป็นมิตรกับเราไม่ใช่ศัตรูเราเป็นเพื่อนเราอะไรก็ตาม ได้รับความรู้ความเข้าใจได้หลักในการประพฤติปฏิบัติสามารถสัมผัสความสุขความส ง, งบที่เกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติธรรมะก็มีการชี้แจงแนะนําแสดงสั่งสอนให้บุคคลนั้นเกิดความรู้เกิดความเข้าใจข้อ น, นี้จะเห็นว่าในจากระดับของฐานทั้งหมดนั่นเองไม่ใช่เป็นการสอนในแนวขึ้นบันไดไปขั้นๆไปหลายขั้นแต่กระจายในฐานของฐานให้มีความมั่นคงขึ้น ก็กลายเป็นการสงบระงับความรู้สึกว่าเป็นของเรากับความรู้สึกว่าเป็นเราลงไปเพราะที่จริงความรู้สึกว่าเป็นของเราและความรู้สึกว่าเป็นเรานั้นเกิดขึ้นจากถ้าจะมองสายของอกุศลก็เกิดขึ้นจากโลภะโทวสักโมหะถามองสายที่ทรงสอนเป็นธรรมะตัวแก้โดยตรงของวิปัสสนากรรมฐานก็คือความรู้สึกว่าเอตังมะมะนั่นเป็นของเรา เอโวมาสมิเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เอโวเม อ, อัตตานั้นเป็นตัวเป็นตนของเราและคําสอนโดยนัยะอื่นยกตัวอย่างเช่นความรู้สึกให้เราคนเรามีสมมาคารวะมีความเคารพต่อคนที่จเจริญโดยชาติจเจริญโดยไปเจริญโดยคุณได้มีความเคารพต่อกันได้กันนั้นเช่นวาสามีพัญญาให้เกียรติยกย่องซึ่งกันและกัน ดูแล้วคล้ายๆจะไม่เกี่ยวกับธรรมะระดับปรมตถ ธ, ธรรมแต่แท้จริงแล้วจะเห็นว่ามันเป็นการลดมานะลงมานะที่มีความรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนฉันจะต้องหนึ่งฉันจะต้องใหญ่ฉันเป็นพ่อบ้านฉันจะต้องใหญ่ไม่ต้องยกยองให้เกียรติใครว่าฉันเป็นแม่บ้านฉันต้องใหญ่แล้วก็หนึ่งสองหนึ่งก็เกิดเรื่อง และเมื่อการสแสดงการเคารพ ก, การให้เกียรติการยกย่องกันนั้นหมายความมาตัวอัตตามันก็เล็กลง้วยกันทั้งสองฝ่ายพร้อมที่จะรับฟังบุคคลเหล่าอื่นแม้บางครั้งจะเป็นผู้น้อยข้อนี้ถึงสังเกตว่าบางครั้งพระพุทธเจ้าไปแก้ตรงนี้ก่อนเช่นบางคนมีฐานะใหญ่ๆโตๆมาก่อนก่อนจะมาบวชในพระพุทธศาสนาปัญหาใหญ่ก็คืออา้างการเกี ค, ความรู้สึกเป็นเรา หรืออย่างน้อยเราเคยเป็นเพราะปัจจุบันเราไม่ได้เป็นก็ต้องเอาอาดีตมาเป็นตัวหนุนให้รู้สึกว่าสูงขึ้นราค้ายก็คนเตี้ยต้องการจะยืนในเสมอคนอื่นก็ขึ้นไปยืนบนที่สูงเพื่อให้รู้สึกว่าสูงจิตใจของบุคคลก็มีลักษณะอย่างนั้นแต่ามาในกรณีนี้พระพุทธเจ้าจะไปแก้ลดตัวนี้ลงไปคือความรู้สึกว่าเป็นเราลงไปเป็นพระมหากตปะเทระท่านเป็นผู้ท่าวบวชอายุตั้งแปดสิบปีแล้ว พระที่อยู่ก่อนนั้นก็เป็นรุ่นลูบรุนหลานของท่านเพราะงั้นปัญหาใหญ่ก็คือความกระด้างเรียน า, านาจมาณาว่าเราเป็นผู้เท่าเป็นผู้ใหญ่อาบน้ําร้อนมาก่อนเด็กๆ เ, เ, เหล่านี้จะกลายเป็นปัญหาในการศึกษาและประพฤติปฏิบัติเพราะงั้นพระพุทธตำรัดข้อแรกจึงริยามาสั่งว่าดูก่อนกระสปะเธอพึงเข้าไปตั้งความละอายและความยำเกรงในภิกษุทั้งหลายทั้งที่เป็นผู้ใหม่ทั้งที่เป็นปานกลา ง, ท, งทั้งที่เป็นผู้เท่าอย่างแรงกล้า นี้ก็คือธรรมะปฏิบัติที่มุ่งเดินเข้าไปบนเส้นทางที่จะไปสู่พระนิพพานเพื่อขจัดบรรเทาลดละความรู้สึกเป็นของเราและความรู้สึกเป็นเราหรือเป็นเราก็เกี่ยวเนื่องด้วยเราให้เบาบางลงไปในชั้นนั้นๆเมื่อสัมผัสได้ก็รับความสุขความสงบตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติแห่งตนต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทําความสงบสืบต่อไป